มบทแปลเรื่องที่หนึ่งร้หเรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารกุลบุตรคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามลิทธิยาทุจริตังเป็นต้น สามีละอายเพราะภริยาประพฤตินอกใจดังได้สดับมามารดาและบิดานำกุลสตรีผู้มีชาติเสมอกันมาเพื่อกุลบุตรนั้นนางได้เป็นหญิงมักประพฤตินอกใจสามีจำเดิมแต่วันที่นำมาแล้วกุลบุตรนั้นละอายเพราะการประพฤตินอกใจของนาง ไม่อาจจะเข้าถึงความเป็นผู้เผชิญหน้าของใครได้เลิกกุศลกรรมทั้งหลายมีการบำรุงพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยการล่วงไปสองถึงสมวันเข้าไปเฝ้าพระสัสดาถาวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่สมควรข้างหนึ่งเมื่อพระสัสดาตรัสว่าอุบาสกเพราะเหตุไร เราจึงไม่ใคร่เห็นท่านจึงกราบทูลความนั้นแล้วตอนสตรีเปรียบเหมือนของห้าอย่างลำดับนั้นพระสัทสดาตรัสกักุลบุตรนั้นว่าอุบาสกแม้ในการก่อนเราก็ได้กล่าวแล้วว่าขึ้นชื่อว่าสตรีทั้งหลาย เป็นเช่นกับแม่น้ำเป็นต้นบัณฑิตไม่ควรทำความโกรธในสตรีเหล่านั้นแต่ท่านจำไม่ได้ประความเป็นผู้อันพบปกปิดไว้อันกุลบุตรนั้นทูลอารัธนาแล้วตรัชาดกให้พิสดารว่ายะท่านทีจะปันโทษจะปานาการังสภาปปา เอวังโลกิทิโยนามะเวลาตาสร้างนวิชติธรรมดาสตรีในโลกเป็นเหมือนแม่น้ำหนทางโรงดื่มที่พักและบ่อน้ำเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นดังนี้แล้วตรัสว่าก็อุบาสก ความเป็นผู้มักประพฤตินอกใจเป็นมนทินของสตรีความตรหนีเป็นมนทินของผู้ให้ทานอากุศลกรรมเป็นมนทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าพระอาจว่าเป็นเครื่องยังสัตว์ให้ฉิบหายแต่อวิชชาเป็นมนทินอย่างยอดยิ่งกว่ามนทินทั้งปวงดังนี้แล้ว ได้ส่งภาษิทธพระคาถาเหล่านี้ว่ามลิติยาดุจจริตังมาเชรังดดฎโตมลังมาลาเวปาปกาธรมมาอัสมิงโลเกปรมหิจะตาโตมะลามะละตาังอวิชาประมังมะลังเอตังมะลังปะหันตวานะนิมมะลา โอทะพิกโวความประพฤติชั่วเป็นมนทินของสตรีความตระหนี่เป็นมนทินของผู้ให้ธรรมลามกทั้งหลายเป็นมนทินแลทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเราจะบอกมนทินอันยิ่งกว่ามนทินนั้นอวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่ง ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายละมนทินนั่นได้แล้วย่อมเป็นผู้หมดมนทินตอนแกะอัดความประพฤตินอกใจชื่อว่าความประพฤติชั่วในพระคาถานั้นก็แม้สามีย่อมขับไล่สตรีผู้มักประพฤตินอกใจออกไปเสียจากเรือนสตรีนั้น ไปสู่สำนัก ข, ของมันดาบิดาก็ถูกมันดาบิดาขับไล่ด้วยคำว่าเองไม่มีความเคารพตระกูลเราไม่อยากเห็นแม้ด้วยในตาทั้งสองสตรีนั้นหมดที่พึ่งเที่ยวไปยอมถึงความลำบากมากเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงตรัสความประพฤติชั่วของสตรีนั้นว่า เป็นมนทินบทว่าเดเดโตแปลว่าของผู้ให้ก็เมื่อบุคคลใดในเวลาไถนาคิดอยู่ว่าเมื่อนานี้สมบูรณ์แล้วเราจะถวายพัดทั้งหลายมีสลากกพัดเป็นต้นเมื่อข้าวกล้าผลิดผลแล้วความตรณีเกิดขึ้นห้ามจิตอันสัมปยุต ด, ด้วยจาคะ บุคคลนั้นเมื่อจิตสัมปยุตด้วยจาคะไม่งอกงามขึ้นได้ด้วยอำนาจความตรณีย่อมไม่ได้สมบัติสามอย่างคือมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติและนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นพระสัสดาจึงตรัสว่าความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้แม้ในบทอื่นๆซึ่งมีรูปอย่างนี้ ก็มีในเช่นนี้เหมือนกันสองบทว่าป้าปกาธรรมมาความว่าก็อกุศลธรรมทั้งหลายเป็นมนทินทั้งนั้นทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าบทว่าตาโตวความว่ากว่ามนทินที่ตรัสแล้วในหนหลังบทว่ามละตรังความว่า เราจะบอกมนทินอันยิ่งกว่าแก่ท่านทั้งหลายบทว่าอาวิชชาความว่าความไม่รู้อันมีวัตถุแปดนั่นแหลเป็นมนทินอย่างยิ่งบทว่าประหันตวานะความว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายละมนฑินนั่นได้แล้วย่อมเป็นผู้หามนฑินไม่ได้ ในการจบเทศนาชนเป็นอ น, นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่งจบ